ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีประทุมในวันนี้จะพูดเรื่องละกุลทกะัฏิยาสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยพระเทระชื่อละกุลทกะปฏิยาเราได้พบพระสูตรที่เกี่ยวกับพระเทระรูปนี้มาสองสูตรแล้วก่อนหน้านี้ แต่ว่าต้นเหตุที่นำมาประรบหรือนำมาเปล่งเป็นพระตูทานมีความแตกต่างกันก็มีข้อความเริ่มต้นว่าเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ไปเชตตะวันนั่นเองพระกุณฑกพะพัทยากำลังเดินทางมาข้างหลังของภิกษุเป็นอันมากเข้าข้าพระพุทธเจ้าถึงที่ประทับ พระผู้มีพะภาคเจ้าทรงเห็นท่านกุณตะกะพัทยาเป็นคนข้อมมีพิภพสามไม่ น, าน่าดูพวกพิกษุก็ได้แสดงอาการดูหมิ่นโดยมากเดินมาข้างหลังของพิสุเป็นอันมากแต่ไกลขันแล้วก็ได้สักกับภิกษุทั้งหลายคือใจความโดยสรุปก็คือว่า พระกุณฑกพะพัทยานั้นเป็นพระเตีย้ยเล็กแล้วก็ค่อมไอดูแล้วก็เหมือนกันเดนน้อยๆคนที่ไม่รู้จักท่านก็เข้าใจว่าท่านเป็นเด่นน้อยๆล้อเล่นจับหัวบ้างจับหูบ้างก็ล้อเล่นแต่ว่าท่านเป็นพระอราหารัน ที่สมบูรณ์ในวิชาสามปฏิสัมพิทา4ี่พิญญา6กแต่ความเป็นวิหารนั้นมันเป็นอยู่ภายในใจที่ไม่มีใครจะรู้หรอกมันก็ทมให้เราเห็นอย่างหนึ่งว่าถ้าเรามองจากหลักที่เป็นพระบาลีพุทธว จ, จะนะก่อนจะไปนิพพานที่รับสั่งตอบคาถามของสุภัต t h ิภาชก ก็รับสั่งเป็นใจความว่าสาบใดที่อริยมรรคเป็นองค์ประการยังมีอยู่การศึกษาปฏิบัติชอบตามอริยมรรคเป็นองค์แปประการยังมีอยู่สาบนั้นโลกจะไม่ว่างจากสมณะที่หนึ่งสองสามสี่ก็คือจะไม่ว่างจากพระอริยบุคคลในชั้นต่างๆการเป็นพระอริยะบุคคลมันอยู่ที่ใจของท่านท่านรู้ของท่านคนเดียว คนอื่นถ้าจะรู้ก็คือต้องเป็นพยาบุคคลด้วยกันต้องเป็นพระหันด้วยกันแล้วก็เป็นธรรมดาของท่าน่แต่รู้แล้วไม่มีกิเลสเป็นเหตุให้ต้องอวดต้องบอกกล่าวให้ใครทราบประการเอาความดีของตนเองมาประชาสัมพันธ์มาโปรโมทมาโอ้อวดเนี่ยมันแสดงเห็นถึงความโลภต้องการลาบ ต้องการสก arga ต้องการชื่อเสียงอยากคนนิยมรับนับถือสถานะว่าตนเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นเพตรง น, นี้ที่จริงก็เป็นยันกันอยู่ในตัวหมายความว่าถ้าเป็นพระยาบุคคลจะไม่อวดถ้าอวดก็แสดงผ่าไมเป็นพระยาบุคคลวินัยจึงบัญญัติเอาไว้ชัดเจนนะว่า ถ้าไม่มีอุตริมนุษยธรรมจริงแล้วก็โอ้อวดว่ามีปรับเป็นประราชิเกเลยขาดจากพระแล้วแต่ถ้ามีจริงที่จริงบอกกล่าวแก่เพื่อนสัพพมาจารีภิกษุด้วยกันนี่ก็ได้แต่ว่าไปบอกแก่ชาวบ้านนี่ไม่ได้บอกแก่นุบสัมพันธ์ไม่ได้คือถ้าบอกก็คือว่า เพื่อต้องการลาาเพื่อต้องการสักการะต้องการชื่อเสียงอีกนั่นเองคือพ้นจากธรรมะนี้ที่จริงเขายันกันนะมาความสิ่งนี้มีแสดงว่าสิ่งนี้มีสิ่งนี้ไม่มีแสดงว่าสิ่งนี้ไม่มีคือในขณะที่กุศลนธรรมมีเนี่ยอกุศลนธรรมต้องไม่มีอกุศลนธรรมโดยเฉพาะที่ส่งกันข้ามเนี่ยมันจะไม่มี คือมีพร้อมกันสองอย่างไม่ได้มีโกรธด้วยมีเมตตาด้วยเนี่ยมันมันมันอยู่ร่วมกันไม่ได้ในขนาดเดียวขนาดจิตเดียวกันอยู่ร่วมกันไม่ได้แต่คนละขณะก็มีได้นะสำหรับสามัญชนก็มีได้แต่สำหรับระดับพระยะบุคคลแล้วกิเลสที่ละแล้วชื่อวะละแล้วไม่มีการกำเริบอีกต่อไปเพราะงั้นถ้าท่านมีก็แสดงว่า ทัานมีคุณธรรมข้อนี้ข้อ น, นี้อยู่บอกแสดงว่าท่านไม่มีกิเลสที่ตรงกันข้ามเพรา ะ, ะนั้นอาการเนี่ยอาการของพระลักุณทกะพัทิยะก็เป็นอาการของพระอาราหาันนั่นแหละก็กายสงบวาจาสงบใจสงบแต่ทีนี้ในด้านปุกกลิกลักษณะมันก็คือปุกกลิกลักษณะ การยืนการเดินการนั่งการนอนมันก็เป็นเป็นจิตสันดานของั่นเป็นวาสนาของท่านที่ได้สะสูงเมื่อปร ม, มาเป็นยังไงก็เป็นอย่างนั้นไม่จาเป็นว่าจะต้องสวยงามเรียบร้อยเสมอไปแล้วเราก็พบตัวอย่างพระยบุคคลเป็นนั้นมากเช่นพระปิลินวัจจะในท่านใช้คาหยากคือมักพูดคํายาก หรือพระโมคคัลลานะเองเนี่ยเราเห็นว่าเป็นคนเฉียบขาดรวดเร็วเด็ดเดียวก็เป็นคนที่องอาจเน่ะเห็นว่าคนมาจับลูกโยมอุปถากไปท่านไปเอาชิงมาเลยหรือใช่อิทธิฤทธิ์ไปโอชิงมาเลยจากโจรมันเป็นปุคลิกของท่านเป็นการทํางานรวดเร็วเฉียบขาดเด็ดเดียว เป็นเป็นวาสนาของท่านถึงลักษณะเหล่านั้นก็ไม่มีในพระสับุตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งเช็นพระนันทะอย่างเงี้ยถ้าจะเรียบร้อยสวยงามอ่อนโย น, ล ะ, นละมุนละม่อมเราเป็นวาสนาของท่านนี่กะย้อนที่เมืก่อนที่มีคนถามว่าวาสนากับบารมีนี่ต่างกันยังไงก็ลืมไปนะวาสนาในความหมายของสาว บ, บ้านบางทีเนี่ยหมายถึงว่าบุญวาสนา คนนั้นจเจริญก้าวหน้าเป็นวาสนาของเขาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นแต่วาสนาในภาษาทางศาสนาเนี่ยหมายถึงสิ่งที่ติดอยู่ในจิตจิตใจของท่านเป็นผลของบุญของบาปก็ได้กานทำไปพูดไปตามวาสนาของท่านตามความคุ้นเคยของท่านอาจจะออกมาในรูปของปกลิกลักษณะลักษณะ น, นิ ส, สยัย หรือว่าเป็นปกติอย่างใดอย่างหนึ่งจะในขณะเดียวกันเนี่ยอาจจะดีก็ได้นะอาจจะไม่ดีก็ได้ตัวนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องบงชี้ถึงบุญถึงบาปแต่ว่าเป็นผลที่สืบเนื่องมาจากบุญจากบาปก็สะสมอยู่ในจิตสันด า, ขานขั้นต้นพระพุทธเจ้าได้ ทษพระเนธถิญพฤติกรรมของภิกษุเหล่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระตั้งศาจา์บอกว่าพรชรปีพรชรกีที่แสดงกริยาไม่เหมาะไม่ควเนี่ยหัวรับสั่งกับภิกษุทั้งหมดใช้คําว่าภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายเห็นภิกษุนั่นเป็นคนค่อมมีผิวพรรณซ่ามไม่น่าดูผู้ภิกษุดูมิ่นโดยมาก จะบังเดินมาข้างหลังข้างหลังของภิกษุเป็นอันมากแต่ไกลหรือไม่ภิกษุทั้งหลายก็กราบทูลมาเห็นพระเจ้าค่าก็เพื่อจะตัดประเด็นของปัญหาซ้ำซากซึ่งเคยเกิดแก่ภิกษุอีกกลุ่มหนึ่งคือโดยเฉพาะคือกลุ่มที่ที่พระเถระท่านเดินตามหลังมาเนี่ยเราสั่งว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุนั้นมีฤทธิ์มากมีอนุภาพมาก ก็สมบัติที่ทิสูจนนั้นไม่เคยเข้าแล้วเนี่ยไม่ใช่หาได้ง่ายหมายความว่า ก, การเข้าสมาบัตินี้ก็มีความหลากหลายมีขั้นตอนคือเข้าไปถึงไหนอะไรแต่อะไรก็แล้วแต่กันท่านเน่ยนะท่านบอกว่าอย่างพระอรหรนันต์ตามปกติแล้วท่านจะเข้าสมาชิระดับทิฏฐธรรมสุกิวิหารคือเข้าไปแค่ทุติยฌานนั้นเนี่ย แต่ ร, ดดรูปธรรมหลักนี้ก็แสดงว่าสมาบัติเมีความหลากหลายแล้วก็พระลักขุละกับากาาพรตยิยานี่ยเคยเข้ามาแล้วว่าสมาบัติใดที่พระเถระไม่เคยเข้าเนี่ยมันหาไม่ได้ง่ายคือไม่ถึงก็ไปเสร็จวไม่มีนะครัแต่รับสั่งว่าหาไม่ได้ง่ายแล้วก็รับสั่งถึงเหตุเหตุว่า ที่สุดนั้นทําให้แจ้งซึ่งที่สุดแห่งพรหมจารย์นั้นยอดเยี่ยมคําว่าพรหมจารย์เนี่ยแปลว่าการประพฤติชีวิตที่ประเสริฐหรือการใช้ชีวิตที่ประเสริฐหรือการประพฤติประเสริฐหรือการประพฤติอย่างพรหมคือคําว่าพรหมคํานี้เป็นคํำปฏิรูปไม่ใช่เป็นพรหมในเนื้อหาดั้งเดิมซึ่งเชื่อถือกันในศาสนาพราหมณ์ แต่พรหมเป็นคำที่พระพุเจ้าทรงเรียกคนทึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบว่าเป็นพรหมจั น, นท์คราวนี้คุณสังเกตว่ารับสั่งตั้งแต่โ น, โนู้นตั้งแต่ปฐมเทศนารับสั่งแก่ท่านพระัญญากลธัญญาเป็นรูปแรกตอนที่พระเทระาขอบันประชาอ ว, วสุบทในพระพุทธศาสนา พรเจ้าเราสั่งว่าเธอจงเป็นภิกษุมาเถิดถ้ามาเรากล่าวดีแล้วจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อทำที่สุดแห่งทุกข์โดยชอบเถิดเพราะนันภารกิจที่จะต้องปฏิบัติก็คือตัวประพฤติพรหมจรรย์เป็นการพูดโดยหลักรวมๆ ว, ว่าการปฏิบัติธรรมะในพระพุทธศาสนานั้นเป็นการปฏิบัติพรหมจรรย์ ทีนี้กรอบของคำว่าพรหมจรรย์มันก็มีความหลากหลายก็สรุปว่าการกระทําดีทั้งหมดน่ะในเครือของอริยมรรติองศาประการก็สรุปรวแล้วว่าเป็นพรหมจรรย์เป็นการใช้ชีวิตที่บริสริ์หรือเป็นการประพฤติอย่างโคลม เบือการปบัตขัดเกลากิเลสอะไรก็ได้นะตั้งแต่ทานไปเนี่ยทานก็ดีเวียาวัจจะไมช่วยเหลือขวนขวายในกิจการงานที่ชอบการประพฤติตนอ่อ น, น้อมถ่อมตนต่อบุคคลทั้งหลายการรักษาศีลห้าการรักษาศีลแปดการยินดีในพันยาสามีของตัวเองนะฮะคือยังมองว่า ชีวิตพรหมจรรย์นเนี่ยคือถ้าเราอยากไปติดใจรูปแบบไปมาลุงรังมากเกินไปที่จริงชีวิตชาบ้านเนี่ยชีวิตชาบ้านโดยเฉพาะการรื้อตหน อ, อน้อมถ่อมตนตนระคนทั้งหลายการแสดงน้ําใจโอบอ้อมารี อ, อุ้มเพื่อเผื่อแผ่ชื่อหรือเกลุกูลคนอื่นหรือการสงเคราะห์อนุเคราะห์ช่วหรือเกุกูลกันและการรักษาศีลนะศีลห้าเนี่ยให้เป็นหลักเอาไว้ศีลแปดนานๆครั้ง ศีลบวชดก็รักษาในวันพระก็ยังนึกอยู่นะว่าประเทศไทยเราเป็นพุทธศาสนิกชนคือ ว, วันก่อนๆได้อ่านบทความของคุณอารีเป็นอุตตรศิน์เป็นอดีตสอสอพักความหวังใหม่และต่อมาก็มาหยุดไทยรักไทยแต่ว่าสอบตกเท่านี้ ก็ได้พูดยอมรับว่าประเทศไทยนั้นมีพุทธศาสนิกชนอยู่ 50-95 เปอร์เซ็นตแต่ทางทติวเตอเลขที่เรารู้94กว่านะฮะไม่ถึง95มานานจะได้ยินสักครั้งหนึ่งเพราะเวลาคนอิสลามเขาพูดเนี่ยบางคนบางก่อนพูดทางรัฐสภาเป็นสวออพูดทางรัฐสภาตั้ง16ล้าน และมีใครพูดกังก่อนถึงยี่สิบห้าล้านก็แสดงให้ห็นว่าเคารพันจริงคือประเด็นมันไม่จำเป็นจะต้องมากหรือน้อยเพราะในโลกของาศาสนาจริงๆเนี่ยศาสนาพุทธถ้าเรียงลำดับแล้วอยู่ระดับสี่เลยซ้าไปนะธนพินดูด้วยเนี่ยแต่นักศาสนาโลกก็อยู่ระดับสามพุทธกับคริสเนี่ย อิสลามก็คริสนี่อะไรมากกว่าเถือนันอยู่ตามปกติเขาก็บอกว่าพวกคริสมากกว่าเพราะอรเพระคนเสนอเนี่ยก็เป็นคริสเป็นพวกฝรัง่งนังสื้อพิมพ์เอกสารต่างๆก็เป็นของหลักแล้วก็บางทีก็บอกอิสลามก็สรุปไปไม่ต้องไม่ต้องไปติดใจตัวเลขอ่ะแต่ก็หมายความว่าเนี่ยเป็นความซื่อตรงในซื้อสัตว์เนี่ย คือความจริงเป็นยังไงก็ว่าเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่จำเป็นจะต้องไปเข้าวัดฟังธรรมอะไรอย่างสามีพัญญาที่ซื่อสัตย์ต่อกันเนี่ยมันสร้างบ้านนะสร้างบ้านให้เป็นสวรรค์วมมานแล้วก็ลดปัญหาโรคเอด์ลงไปได้เยอะแล้วถ้าหากว่าไปถึงศีลแปดหรือศีลบูช ยังนึกว่าสมมติว่าคนไทยเราตอนนี้หกสิบกว่าล้านนะครับเป็นชาวพูดประมาณห้าสิบเจ็ดล้านกตีเชว่าเอาคนแก่กับเด็กออกไปก็รักษาสินแปดกันสินโดษกันเดือนละสี่ครั้งมันจะแก้ปัญหาอะไรไปได้เยอะนะประหยัดไปได้เยอะ เรื่องสุขภาพพลานามายัยเรื่องบบเศษธธ ร, รษฐกิจเรื่องสังคมเรื่องอะไรต่างๆได้เยอะเพราะอาหารที่เรารับประทานเข้าไปในแต่ละมื้อนี่แหมมันมันจำนวนมหาศาลมากมา่จนถึงจุดหนึ่งก็เป็นอพปัญญาหรือภรมิหารเนี่ยแล้วก็ไปเข้าอาริยมรรคในสุดสรุปรวมว่าสาระพรมจันทร์ เมื่อความมการประพฤติปฏิบัติไปตามหลักศาสนาทั้งหมดท่านยังไงก็ได้นะฮะกิเลสมันล ด, ดลงธรรมะเพิ่มขึ้นก็ถือว่าเป็นพรหมจรรย์เป็นการใช้ชีวิตที่ประเสริฐเพราะฉะั้นในในที่นี้ก็ถือว่าจบพรหมจรรย์ล้พระราคุณธากะภัตยะประจบพรหมจรรย์ทีนี้คนจะจบเนี่ยมันก็เป็นได้เฉพาะปราหารันคนอื่นยังไงยังไงก็ไม่จบ แล้วก็รับสั่งว่าที่กุลบุตรทั้งหลายออกบวชเป็นบนรรพชิตโดยชอบต้องการนั่งด้วยปัญญายิ่งเองในปัจจุบันหมายความว่าการบรรลุมรรคผลเป็นพระหานั้นเป็นการกระทาบนเส้นทางสายเดียวกันของกุลบุตรทั้งหลายถึงไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะก็จะออกมาในลักษณะอย่างนี้ ก็ลำดับนั้นก็ส่งท่งเปล่งพระพุทธอุทานพุทธอุทานเป็นการแสดงให้เห็นถึงชีวิตของคนนะฮะแต่เป็นแนวโอภารับสั่งว่ารถคืออัตภาพรถคืออัตภาพมีสีนาหาโทษไม่ได้ทีนี้การที่คนจะรักษาสีน จนหาโทษไม่ได้เนี่ยศีลี่ต้องบริสุทธิ์ทีนี้ศีลจะบริสุทธิ์มันบริสุทธิ์ตั้งแต่เป็นพระโสดาบันขึ้นไปพระโสดาบันหมายความว่าศีลห้าของท่านนบริสุทธิ์แต่ว่าไม่ใช่บริสุทธิ์ทั้งหมดนะฮะคือบริสุทธิ์เฉพาะระดับศีลห้าแต่ศีลบางอย่างเป็นศีลที่ แล้วเมียดละไมเป็นเขาเรียกว่าเป็นพวกอภิสมาจาร์เนี่ยอภิสมาจาร์ไม่จะเป็นเหตุให้ตกบายก็ไม่ได้แปลกอะไรก็อาจจะเผลออาจจะพลั้งพลาดไปได้บ้งางผลสมบูรณ์หมดจริงๆก็คือต้องเป็นพระอระหันต์ที่นี้ในในมิลินปัญหาท่านอุ ป, ปมาให้เรามองถึงศีล สีนี่เป็นเรื่องใหญ่นะมันเป็นฐานรากของอาคารใหญ่อาคารใหญ่ถ้าฐานรากไม่ดีแล้วอย่างอื่นสร้างขึ้นมาอย่างไงก็มั่นใจไม่ได้เพรฐานคือสียังกลายเป็นเรื่องใหญ่เป็นการอุปมาเปรียบเทียบกับสิ่งที่เป็นรู ป, ปรวัตถุว่าเปรียบประยาที่ดับพิษไข้คือคนเราถ้าสามารถครองชีวิตอยู่ในรับศีได้เนี่ย อาการวิปฏิสารใจเดือดร้อนใจเนี่ยมันสงบแต่ถ้าเราจะมีปัญหาเรื่องศีลยงมีปัญหาเรื่องความประพฤติโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือศีลระดับที่เป็นโลกวัชชาคือมีความผิดสากลเนี่ยมาหาความสงบใจไม่ได้หรือศีลเปียมตยาที่รักษาโลกภาษาโลกโลภจัดโกรธจัดหลงจัดเนี่ยโลกคือกิเลสเนี่ยโลกจัดโกรธจัด ราคาจัดด้วยนะราคาจัดด้วยโลภะจัดด้วยโทสะจัดด้วยโมหะจัดด้วยแล้วก็เหมือนกันน้ำที่ใสก็เรียกว่าพร้อมดื่มคือคนที่มีศีลเนี่ยที่จริงอยู่ที่ไหนก็วางใจได้ควบคุมตัวเองได้แล้วคนอื่นก็ไม่ต้องไปหวาดกลัวภัยอันตรายอะไรจากผู้มีศีล เกิดหากว่าท่านเป็นผู้มีศีลจริงแล้วไม่ต้องกลัวหลักว่าจะมีการชอบโกงมีการหลอกลวงมีอะไรแต่ว่าดใวยดีก็แล้วกันพราะอย่างที่บอกเี่ว่าอาการของผู้มีศีลเนี่ยบางครั้งมันเกิดจากมายามารยาเสแสร้งโอ้โอวดแข่งดีมานะหลอกลวงไปสารพัดได้ เป็นอาการของผู้มีศีลนี่ว่าออกมาได้เยอะแล้วเป็นเป็นเครื่องมือในการล่ามนุษย์ได้อย่างหนึ่งในขณะที่เป็นเหตุให้เกิดคุณความดีแก่ตนเองและแก่บุคคลอื่นเนี่ยมันก็กลายเป็นเครื่องมือหลอกครงมนุษย์ได้ประการหนึ่งเหมือนกันเพราะว่ า, าคนที่มากด้วยมายาสาไถยทั้งหลายเนี่ย ก็อาศัยรูปแบบรูปแบบของคนดีเนี่ยเป็นเครื่องมือในการแสวงหาประโยชน์จากคนโง่ปัะเด็กนการเราเนี้ยปรากฏไม่ในคัมภีร์พุทธศาัณยนี่มีอยู่เยอะแต่ปัญหาสงคัญว่าพอมันเกิดเรื่องอะไรในที่จริงในแวดบงพระเนี่ยค่อนข้างรู้นะฮะแต่ว่าพูดไม่ได้ เพราะว่าลูกศิษย์ลูกหาเขาห้อมล้อมกันอยู่แล้วก็ไปแตะต้องอะไรไม่ได้ก็เป็นการเพิ่มบาปให้แก่ลูกศิษย์ลูกหาเหล่านั้นแล้วก็อาจจะก้าวร้าวรุนแรงแบแบ่งเป็นฝักเป็นฝ่ายเพราะงั้นบางทีก็ต้องปล่อยให้กามุนาวัตติโลโกคือจัตโ์โล ก, กเป็นไปตามกรมไป อีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่าเหมือนกับแก้วมณนีชื่อมโนระหะก็เป็นความเชื่ออย่างหนึ่งนะฮะว่ามันแก้วบางชนิดเนี่ยใส่ลงไปในน้ำแล้วทำให้น้ำสะอาดทำให้น้ำบริสุทธิ์ก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันคือใจนี่มั น, ม, นมันใจจะผ่องใสคนที่มีสีในี่ใจจะผ่องใส ไม่มีเรื่องวิตกตังวลหวาดระแวงหรือหวั่นเกรงอะไรแล้วก็เปรียบเหมือนเรือคือสมัคเป็นเครื่องอาศัยไปสู่จุดหมายปลายทางที่เราต้องการหรือเหมือนเกวียนนะฮะ เ, เกวียนก็เหมือนกันเหมือนเกวียนก็เหมือนรถอะไรแบบยานพาหนะพวกง่ายว่าเปรียบด้วยยานพาหนะเป็นเครื่องอาศัยนาไปสู่จุดหมายปลายทางแล้วก็เปรียบด้วยลม <c oughs> เรียบด้วยลมที่พัดชำระไอสิ่งต่างๆปฏิคูลต่างๆออกไปด้ว่ฝนหาใหญ่ได้ชำระล้างเหมือนกันนะฮะชำระล้างเหมือนกันพูดในประเด็นของการชำระล้างเปรียบเหมือนอาจารย์ที่คอยชี้บอกคอยแนะนําให้เหตุได้ผลอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรอันนี้ควรอันนี้ไม่ควรเนี่ยฮะคนเราถ้ารู้ได้ขนาดนี้มันก็ทําอะไรได้เยอะแล้ว อะไรควรอะไรไม่ควรควรพูดควรทำควรคิดหรือไม่ควรพูดไม่ควรทำไม่ควรคิดแล้วก็หยุดตัวเองไม่ได้เนี่ยตามได้อย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์กึก่กูในการครองชีวิตเป็นอันมากเพราะในที่นี้เป็นการพูดถึงศีลระดับสูงสุดเป็นอริยกัตรตศีลคือไม่มีแม้แต่ความคิดจะละเมิดศีลคนเราโดยทั่วไปเนี่ย อาจจะไม่ละเมิดศีลด้วยกายดรวอวาจาแต่อาจจะคิดด้วยใ่แต่พอถึงพระอาหารหันต์มันกิเลสเป็นเหตุให้คิดมันไม่มีปัญจึงความคิดที่จะละเมิดศีลจึงไม่มีมันบอกว่ามีอศีนานาโธดไม่ได้เป็นองค์ประธานมีหลังคาคือบริขารที่ขาว โดยท่านอธิบายในะลักษณะของพระพระและกุลฑกะพัฒยาเนี่ยมันก็ทาให้เห็นอย่างหนึ่งว่าวิถีชีวิตของพระในสมัยพุทธกาลเนี่ยว่าท่านอยู่กันอย่างไงมันก็นึกึงยุคสมัยอย่างที่เคยเล่าเคยเล่าเรื่องพระพุทธเจ้าไว้ฟังตอนที่เสด็จออกจากป่าปารีเลยากาศ คือบริขารของพระในสมัยโบราณจริงๆนะะมันมีเฉพาะผ้านุ่งกับก้าพ่อห่มพ้าหม่าหมนี่ผืนขนาดไหนก็ก็ไม่รู้เหมือนกันผนการห่มคงไม่เป็นอย่างที่เป็นในปัจจุบนันหรอกแตอยังนึกว่ามันน่าจะคล้ายๆแนวของนักบวชฮินดูนะผู้ฤๅษีต่างๆเนี่ยคงคล้ายๆกัน พระว่จีวรที่เป็นรูปแบบปัจจุบันเนี่ยเป็นจีวรที่เกิดขึ้นในยุคยุคพระอานุลบทแล้วก็แสดงว่าคงสิบตัวปีมาแล้วท่านอธิบายถึงถึงพระละคุณทากกะพัติยะว่าวันหนึ่งพระละกุณทากกะพัติยะพระละคุณทากกะพัติยะนะครพร้อมด้วยภิกษุเป็นนันมากเที่ยวบินทบาตในละแวก บ, บ้าน ฉันพัฒตาหารเสร็จแล้วไปฉันที่ไหนก็แสงดงไว้ฉันตามอั ธ, ธยาศัยก็เจอน้ําที่ไหนเมือนก็บภาษาริบุตรที่ไปตามพระราชาชิ้ไปเนี่ยท่านบินบาตก็ไปเจอแหล่งน้ําตรงไหนท่านก็ไปฉันที่นั้นเดี๋ยวก็เสร็จแล้วก็วล้างบาตรเช็ดบาตรเรียบร้อยเอาบาตรใส่ถลก จะแสดงว่าสมัยนั้นมีบาทมีทลกหรือเปล่าคืออัตกฐานเนี่ยเป็นการเขียนเมื่อพอสอรวบพันแล้วนะสมัยพระเจ้าหมานามแต่พุทธคุศลอาจารย์เป็นพวกเขียนครองไว้ที่บาจีบจีวอนเห็ไหมเป็นเรื่องที่น่าแปลกว่าจีวอนไม่ได้ห่มนะไม่ได้ห่มตอนกลับวัดไม่ได้หม่ม แล้วตอนออกไปจากวัดก็ไปห่มเมื่อเข้าเขตบ้านออกจากป่าก็ไม่ได้ห่มหยีจีจวรแล้วก็เดินท่านบอกว่าผ้าจีวรแม้นั้นไว้บาทซ้ายเอาผ้าไว้ที่บาทซ้ายจะแสดงว่าบาทก็สะพายด้วยบาทขวาตานภาพเราคงจะเดิน ก็นุ่งสะบงพื้นเดียวอังษะเนี่เป็นบริขารที่เกิดทีหลังเพราะฉะันในสมัยพุทธกาลก็มีในช่วงหลังเนี่ยเพิ่มสังกติขึ้นไปสังกติเป็นบริขารที่เจตนารมจริงๆเี่ต้องการที่จะให้ซ้อนข่มเวลาหนาวแล้วก็เวลาเข้าบ้านเนี่ย มันก็มีปัญหาในภาคใช้พย่ำมากนั่งทับผ้าสังกติภายในบ้านผลแสดงของการห่มก็คือต้องคลุมไหล่ก็หมายว่ า, าพับสองชั้นเราจรึงเจอการาพับผ้าสังกติที่ตอนพระเจ้าเสด็จไปที่กุสินาราเนี่ยก็ให้พระอานนท์พับผ้าสังกติเป็นสี่ชั้นก็แสดงว่าผ้าสังกติไม่ใช่หม่ม ในเมืองไทยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะว่าเมืองเราร้อนแล้วก็คนไทยก็ตัวเล็กเลยไม่รู้จะไว้ที่ไหนก็เลยไว้ที่บ่าเราพาดบ่าก็ยังไม่สังเกตนะฮว่าพระมาญาเนี่ยพาดบ่าหรือเปล่าเพราะยังไม่เคยเห็นท่นานพาดไม่แน่ใจที่พม่า ก, กําลังกาเนี่ยว่าท่นานพาดหรือเปล่าแต่ว่าที่พาดแน่เนี่ยคือลาวกับขเขมร ขอนกอนเจอเขาเห็นมันมีผ้าเป็นผืนเดียวภา้าที่ตอนท่านมาที่งานริสาขาบูชามโหสถสองพนา147แล้วก็บางวันประศุสุดเด็จประสังกราปีนั้นท่านมาสองครั้งห น, นูมีผ้าอะไรผ้าแไปเป็นผืนผืนเล็กๆก็นี่ก็ แสดงถึงอริยบทว่าก้าวไปถอยกลับแลดูลเอียดคู่แขนหน้าเลื่อมใสมีเนตาทอดลงสมบูรณ์อริยบทเป็นเหมือนประกาศความไพ่บูรด้วยสติและปัญญาของตนนิพรตัตตอาจารย์ท่านวานก็พระอาหารหันต์าก็สติสมบูรณ์นะนะตามสติสัมชัญญะไว้มัน่นมีจิตเป็นสมาธิทอดเท้าก้าวย่างไป แต่เมื่อจะไปก็ตามหลังภิกษุทั้งหลายไปไม่ประปนด้วยภิกษุคือท่านเดินล้าหลังเอาไว้ก็ไม่พูดไม่คุยอะไรกับใครก็พระอาหารหันต์นะฮะท่านก็สำรวมระวังทีนี้ประเด็นต่อไปก็รับสั่งให้ดูว่ามีกรรมคือสติอันเดียวแล่นไปอยู่ หมายความว่าเอาเอากะสรีระยันตังคือหมายความร่างกายเนี่ยว่าเหมือนกับเหมือน ก, ก, กับรถอ่ะมื อ, กอนก็รถจนเรื่อสรีระยนเป็นการอาศัยรู ป, ปรวัตถุเทียบเคียงให้ดูวัลลศน์สง่างามโดดเด่นของพระเถระนี่มิสติอันเดียลลั่นไปเชิญดูรถคืออัตภาพนั้นอันหาทุกข์ไม่ได้ มีกระแสตันหารตัดขาดแล้วหาเครื่องผูกไม่ได้เล่นไปอยู่เกรหมัยความว่าเอาเอาสิ่งที่เป็นรูปธรรมามาสะท้อนมาระท้อนปรัชญภาพของพระละกุณากะพัฏิยะประเด็นที่ควรจะมองก็คือหนึ่งก็คือเรื่องศีลศีลก็ท่านสมบูรณ์เป็นศีลที่หาโทษไม่ได้ แต่ว่โดยทั่วไปคนเราก็ควรจะพระยาดก็ยังนึกอยู่ว่าอายุเพิ่มขึ้นเนี่ยศีลควรจะดีขึ้นรายได้ขนาดไหนก็ตามสติ ก, กำลังที่จะกระทำได้เพราะว่าคือยังนึกวัก่อนมันเกิดสะดุดใจอะไรเอะที่เราพูดาอายุมากเนี่ยมันไม่ใช่อ่ะอายุมากที่ว่ามากเนี่ยมันผ่านไปมากแล้วนั้นเองไม่ใช่ไปหมดแล้วอายุเราแล้วน่ะ ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาแล้วพอเราย้อนไปแก้ไขอะไรไม่ได้เลยที่ผ่านไปแล้วเนี่ยอายุที่จริงน้อยลงทุกวันคนยิ่งแก่อายุยิ่งน้อยความสาวน้อยลงความหนุ่มน้อยลงความแก่มากขึ้นแต่เราช้ากันยางไงช้า จ, จนเครื่องแล้วก็มองไปที่การให้คนอื่นเคารพเนี่ยเป็นหลัก แต่ถ้าเราคิดว่าอายุเรายัางน้อยเนี่ยมันช่วยให้เราไม่ประมาทเป็นหลักเพื่อเราก็กล้าจะตายแล้วก็รีบเร่งทำความดีโอกาสมันน้อยลงความตายจะปรากฏเมื่อไรก็ไม่รู้แล้วก็ เพิพ่มูนคุณธรรมความดีคือจะโกรธจะเกลียดจะอาฆาตพยาบามตรจะจองเวรจะจอ ง, ง, จองร่างจองฐานอย่างใดนั้นอย่างใดนี้ก็ไม่รู้จะไปทําอะไรอะ่ะอหมายความอายุเรายิ่งน้อยสมมุติเรายิ่งเป็นเนี่ยเรายิ่งใกล้ตายคือถ้าเราเป็นอะไรก็แสดงว่าเรากําลังจะไม่ได้เป็นคือถ้าเป็นอะไรมันควรจะเป็นในช่วงที่เรามีกําลังมีเดีแรงสามารถปฏิบัติภารกิจการงานได้ แต่กำลังเรียมแรงมันเสื่อมศูนย์ลงไปแล้วก็พยายามมองไปที่ตัวเนี้ยคือศีลที่ทำยังไงหาโทษไม่ได้เอาขนาดห้าข้อนานแปดข้อเนี้ยนะหรือว่ายุ่งยากมากก็ทำยังไงว่าเป็นผู้ใหญ่มีเมตตาการุณาต่อผู้น้อยแล้วก็ไปคุมด้วยความโลก คือเคยตั้งข้อสังเกตมานานแล้วก็หลักฐานปรากฏในคำพีนะนะจนถึงกับว่ามีกฎเกณฑ์ที่ห้ามบวชคนแก่เพราะอะไรเพราะว่าเป็นเรื่องแปลกแต่จริงคือเราก็นึกไม่ออกฮนะว่าทำไมหลวงตาในี่ีโลกก็คงไม่ใช่ทุกคนในเท่าที่พบเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นยางีง เมืท่านก็ผ่านการคลองเรือนเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มามีลูกหลานมีอะไรแต่ไรต่างๆทรัพย์สมบัติที่บ้านเขามีก็ไม่น่าจะโลภนะฮะบิ่ง บ, บาดก็โลภอะไรก็โลภซึ่งที่จริงถ้าบวชมาเพิ่มโลภเนะี่ยก็ไม่น่าจะบวชเพราะว่าเรามุ่งปฏิบัติขัดเกล้าวความโลภความโกรธความหลงเหตุเหตุมันลด อ, อายุมันลดให้กิเลสมันลดตามไป เพื่อหมายควา ม, ความดีเพิ่มขึ้นมันมีสเสบียงมากพอที่จะเดินทางไกลพระบุญกุศลนี่จะเปรียบแล้วก็เหมือนกับเสบียงในการเดินทางไกลของเราไปยาวนานนะฮะเมื่อไรจะถึงฝั่งคือพระนิพพานเราก็ไม่รู้่ตมันก็เสียบุญเตรียมกุศลเอาไว้มากยังไม่มีอย่างไรอย่างยังนึกว่าเนี่ยเช่นสมมุติเราดูข่าวในพระราชสำนักเนี่ มีการถวายอะไรต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบางสมเด็จพระเทพบางสมเด็จพระนางเจ้าบางสมเด็จบรมบ้างนะจะคว้าจุฬาพรเหมือนต้นเนี่ยเราทําใจเลื่อนใส่นะะอนุมโมทนาเขาเพราะในช่วงข่าวในพระราชสํานักเี่ยที่จริงเราก็ทําจิตอนุโมทนาได้จิต ก, ก, ก็ผ่อนใสนะฮะอนุมโมทนาชื่นชมยินดีกับคนเหล่านั้นที่ พอทำบุญทำกุศลได้ข่าวได้ข่าวอย่างคนสมัยโบราณเนี่ยที่เขาไปทอดกัดผ้า ป, ป่าทอดกระถินเรือแหก่กระถินผ่านหน้าบ้านนั่งพับเพียบยกมือพนมอันโมทนาสาธุจิตใจสวยงามมากเนะ่ยละการทำบุญที่จริงถ้าเราตั้งใจทำมันก็ไม่ค่อยยากอะไรอยู่ที่ใจ ทำใจได้ไหมทำใจให้เมตตาต่อคนได้ไหมคนประสบความทุกข์ให้เกิดกรุณาได้ไหมคนประสบความเจริญก้าวหน้าเกิดมุทิตาอนุโมทนาก็ได้ไหมหรือคนที่ประสบปัญหาประสบผลกรรมอะไรต่างๆเนี่ยเราทำใจเป็นอุเบกขาได้ไหมครั้ก่อนไปไปงานศพไปเจอกับอดีตรัฐมนตรี แต่ไม่อก็อะไรก็มาไม่รู้ก็ไปพูดถึงสนามกอปันไผ่เลยก็บอกบอกเขาบอกว่าวัดเนี้ยเขามานิมนต์อาตมาให้ไปเป็นจเจ้าอาวาสผู้ใหญ่มานิมนต์แต่ว่าพอดีท่านไปพูดว่าจะให้เป็นท่านราดก็เลยรองไม่ไปเลยที่จริงท่านนิมนต์เฉยๆก็อาจจะไปไนะครที่ดินนี้ที่จริงเขาไม่ใช่ถวายวัด เขาถวายหลวงพ่อองค์ก่อนแต่ว่าถวายให้มังกรราชวิทยาลัยมูลนิธิมังกรราชวิทยาลัยให้จัดผลประโยชน์ธนุบำรุงวัดธรรมิการามไม่ได้บอกไม่ได้บอกวิธีการจัดเอาไว้จัดยังไงเขาสลักหลังฉโดดไว้ย่างไงตอนตัวนี้เห็นว่าเมื่อเก็บผลประโยชน์ไม่ได้เขาก็ไม่จะทำยังไง เพราะว่าทุประสงค์ผู้บริจาคมันไม่บรรลุปเป้าหมายเขก็ปรึกษาติดสอบถามอะไรอะไรผ่านขั้นตอนมาเยอะนะกว่าจะขายได้เนี่ยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับท่านนายกเลยนะฮะ ค, ค, คือเราก็หาเรื่องไปเล่นการเมืองกันมันเรื่องก่อนนานแล้วก็ผ่านมือคนมาหลายคนเนะนี่ะแต่นี่คือคือคือเราจะเห็นว่าพอมันเกิดริษยาแล้วก็หาเรื่อง เรื่องเราก็พูดเท็จอะ่ะพรจริงๆเราไม่รู้ข้อมูลอะไรเราก็พูดเท็จเวลานี้วัดวัดธรรมิการามที่ว่าเนี่ยพัฒนาไปเยอะมากเงินที่ลงไปแล้วเนี่ยก็เรียกว่าหลายร้อยล้านคือจากดอกผลนั้นเองดอกผลที่จากที่ขายที่แล้วก็มาฝากฝากมูลนิธิบางกุดเนี่ยเรเก็บดอกผลไปพัฒนาวัดเราเห็นอย่างหนึ่งว่าตรงเนี้ยที่จริงแล้วเนี่ยถ้าเรา ทำใจอุเบกขาไม่ได้นะแล้วก็ต้องศึกษาทำความกระใจอาให้ชัดเจนคือไม่ใช่ว่าเสนออะไรโดยไม่มีทางออกคือคือคือแปลกนะฮะสังคมเราเนี่ยชอบด่าใครคิดอะไรก็ด่าเลยแล้วก็ไม่หาทางออกให้ ไม่ได้มีความคิดเพราะจริงๆตัวเองอ่อนภาคสนามคือปัญหาที่มันพูดอะไรแสดงอะไรออกมาในที่จริงมันศึกษาคนควาเยอะนะฮะเราต้องเคารพคนเห ล, ล่านั้นเนะี่ยเมื่อเหการทางภาคใต้ที่ท่านจะแบ่งโซนอะไรต่อะไรเนะี่ยเป็นเรื่องยุทธศาสตร์ยุทธวิธีทางการทหารเขาและที่จริงก็ยังไม่ได้ทำอะไรนะนะแต่เราก็ด่ากันเสียไม่บัญญบัญญัตอะไรเลย ก็แสดงมาหาโอกาสสะสมบาปด้วยใจตัวนี้ถ้าเออเป็นเรื่องของทหารขาวจบคือเขารับผิดชอบอะ่ะคนเหล่านั้นก็จบการศึกษาเรื่องนี้มาโดยเฉพาะเรารู้อะไระยิ่งครูบาอาจารย์มาวิทยาลัยในชอบพูดเรารู้อะไรเคยอยู่ภาคสนามหรือเปล่าคืออย่าลืมคนอื่นเขารู้นะเขารู้เขาเข้าใจเขาอยู่บนเวทีเก็ต่อยปะ อันนี้เราเป็นเซนเนอร์ยังไม่ได้เป็นเลยนะเป็นคนดูแล้วก็ชี้อย่างนั้นชี้อย่างนี้ไอต่ออย่างนั้นไอต่ออย่างนี้มันอย่างไงก็ขชอบคนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราทําใจได้ในอาการเหล่าเนี้ยมีสติระลึกในชั้นศีลเราก็พยาไยาม่ศีลบริสุทธิ์แล้วมีสติกํากับ ก่อนทำก่อนพูดก่อนคิดขณะทาขณะพูดขณะคิดหลังจะทำหลังจะพูดไปคิดคิดไปแล้วก็พิจารณาทบทวนแล้วก็พยายามลดกระแสของตัณหาหมายความว่าเดินตามรอยพระอระหันต์ไม่ใช่ทำได้เต็มที่หรอกแต่ว่าเดินตามรอยพระอระหันต์เพราะว่าธารรมะเหล่านี้ที่จริงมันเป็นวิถีชีวิตคนแต่ของท่านสมบูรณ์ น, นั่นเองคนเราทุกคนต้องมีศีลพอสมควร แล้วก็มีสติพยายามที่จะลดความทุกข์ทัานท่านนั้นไม่มีทุกข์นะฮะแล้ก็พยายามลดความทุกข์ในขณะเดียวกันก็ลดกระแสของตัญหาความอยากได้ลดความอยากได้ลงไปลดความอยากมีลงไปลดความอยากเป็นลงไป แล้วก็ลดความรู้สึกแนววิพากษ์ตัณหาคือปฏิเสธอะที่จริงปาการก็โทสะไอรอนตัณฑ์อะ่ะวิพากษ์ตัณหาที่จริงมันก็เราไม่ต้องการได้อย่างนั้นแต่ว่าแสดงว่าเราต้องการได้อย่างอื่นจิตใจมันถูกหมุนแต่เรียกว่าผลใสเสือกใสขับใสจากตัณหาที่มีอยู่ภายในใจก็สูญเสียการทรงตัวจะทํายังไงว่าให้ทรงตัวให้ได้ พราลกุณตกะพัตยะนั้นท่านสมบูรณ์ก็ทันจิตได้เลื่อนใส่ที่ว่าพระเจ้าต้องออกกองชี้แจงอธิบายเนี่ยเพื่อปกป้องคนนะคือไปไปไปละเมิดอะไรพระอรหรนันต์แน่แม่มันไฟนะอาหุนยักขิ่งนี้อาหุนยักขิและอย่าลืมว่าพ่อแม่คือพระอรหรันต การทาอย่างเงี้ยล่วงละเมิดต่อประารอย่างนี้เป็นบาปการล่วงละเมิดต่อพ่อแม่ต่างๆเป็นบาปโดยกายก็ดีด้วยวาจากรดีด้วยใจก็ดีเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยอยู่ในฐานะเป็นพระอราหันต์เขาเรียกว่าอ า, อาหุเนยยาจะปุตตานังแล้วก็อนันตกรรมก็อยู่ระดับเดียวกับพระพุทธเจ้านะะในกรณีนี้ก็เหมือนกันนะคือหมายความว่า ท่านอยู่ในฐานะเป็นพระอระหันต์ลูกจะต้องให้ความเคารพนับถื อ, อยำเกรงอย่าไปแสดงอากาศดูถูกดูหมิ่นตอนนั้นเราก็เดินตามรอยท่านได้เดินตามรอยพระหันไปได้เยอะนะฮะต้องฟังอะไรและการยิ่งธรรมจากมหาวทาิทยาลัยศรีปฐุมในวันนี้ขอยยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญ ง, งอกงามไพบูอรณในธรรมจุมมีแท่านผู้ฟังทลายโดยทั่วกันสวัสดี